หากันตั้งใจฟังจะอธิบายถึงเรื่องเลียงติดตังของโบราณท่านบอกว่าลียงติดตังกู้เท่าเก่าแก่เคยกู้ดูเสมอเสมอลียงติดตังจังมันแน่นหนาที่สุดลียงติดตังนั่นคืออะไรตังใน ห, หมายความว่า จิตเขาเเรียกว่าจิตจิตเขาเรียกว่าลีงเหมือนกรลีกมันไม่อยู่นิ่งใดยังเรียกก่เหมือนกระลีกอันนี้ยังตางต่างนั้นอาจจะไม่เข้าใจบางคนเข้าบากเอาอยางไม่เป็นยางข น, นุนกระยางใสก็ตามเถอะยางมาจากต้นไม้แล้วนะ เคี่ยวมาใส่น้ำมันยางแต่ว่าการเคี่วนะั้นถ้าใส่น้ำมันยางยากมากมันก็ไม่เหนียวถ้าใส่น้อยมันก็ค้นแขมเกินไปใส่พอดีพอดีมันจะงเหนียวอันนี้คาว่าเลี้ยงติดตังเราทำไมยังมาติดเลี้ยงมันชอบไข่ถ้าเห็นไข่แล้วจับมา บ, บี้เลย เขาจึงทำเอ า, เรรเอาอยางนั่นน่ะเขี่ยวดีๆแล้วก็ไปใส่ไข่ไว้ไใส่ฟองไข่นั่นไว้เอาไปไว้ในที่เลี้ยงไปๆเอามาโดยสมาร์กมันลงไล่ลงกินเขา่าเขาเอาไว้ทางมันมานั่นเลี้ยงมันเห็นมันก็ชอบใจเป็นของชอบมันได้ๆได้ๆมา นมือขั้วจับบีเลยบี้แรงยามันก็แตกออกจากฟองไข่ก็ติดมือจิดมือข้างหนึ่งซะก่อนนะทีแรกมไม่ทราบจะแทงเลยมันมีสองมือเท่านั้นก็เอามือที่สองอใส่ควดมันติดมือข้างหนึ่งกนะ็มือที่สองก็ติดด้วยกันอีกทำยังไงคการนี้ ให้เท่าทั้งสองเลยทีขวากเคลียรถีบยันออกก็ไปติดกันอีกเท่าที่สองก็ที่สามไอ้ที่สองมก็ดีไอ้ที่สามสามันมก็นดีเท่าขวาเท่าซ้ายมันก็ติดทั้งหมดเลยทำไงยังจะปากแล้วก็ปากกัดปากกัดก็ไปติดเข้าอีกเลยไม่ทราบจะทําไง หมดท่านั่นแหละเรียิดติดตังเขาจะหมดท่าเท่านั้นเหมืองกับคนเราทำมาได้ทังไปไม่รู้จักมีความอยากความหิวจังค่อยแสวงหาเรื่องอาหารการกินมุทิภกทุกสิ่งทุกอย่าง จะโดยกรมก็ได้เลยอ่วมพอดีเรื่องแสวงหาอาหารทั้งนั้นมนุษย์คนเราจะเป็นพ่อค้าว่านิดก็เรียกว่าแสวงหาอาหารจะเป็นข้างหน้าจัดการก็เรียกว่าแสวงหาอาหารจะเป็นพระภิกษุสามเณรอยู่วัดที่ว่าอุบาสงฆ์วิจิกา กรวนแต่แต่อาหารเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสวงหาเหมือนกระลีกตัวนั้นแหละเมือนใครมันชอบใจมันก็บี้เลยไปหาไหนก็หาเธอคนในโลกนี้ทั้งหมดถ้าไม่ทานแคอย่างเดียวก็หมดเรื่องกันไป แต่นี้เราทานอยู่ตรงแสดงหาดอความอยากบางคนเขาบอกว่าไม่มีการอยากไม่สนุกคนหาอยู่หากินในโลกนี้สนุกเพราะการอยากการกินนั่นแหละยังค่อยสนุกแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าการอยากการกินนั่นแหละ เรียกว่าทุกมันป่วนกันขามท่านั้นไม่อยากที่เฉยเสียมันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องแสวงหาอยากปากท้องเราไม่ต้องไม่ต้องอยากอ่ะไม่ต้องกินน่ะมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ทีนี้มันมีปากมีท้องนะที่มันหิวอะไรที่นั่นก็แสวงไอ้ดรกประการต่างๆ แรงไปแสวงมาได้ไปถูกตังจื่งว่าลิงติดตังตังมันของเหนียวที่สุดมนุษย์ชาวโลกเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นลิงลิงค่ก็แปลว่าเพศคือมีทั้งเพศหญิงเพศชายเนียกว่าลิงค่ะ เพศหญิงเพศชายเนี่ยทั้งหมดหากินหายอยู่หากินเดีกันทั้งนั้นหิงค้าแปลว่าเพศเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมควมเรียกว่าหากินเดียกันทัน้งนั้นหากินที่ไหนเดียวันนี้เอาได้ไหมหาก็อยู่ในขันห้า น, นี่แหละ ในนอกจากทันหาเราไปไปมามาก็กลับลงมาทันหาของเก่าคือรูปเวทนาเป็นรูปเวทนาในสังขารอรันอรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยานทั้งห้าอย่างนี้แหละรูป <c oughs> ขาดหลงรูปคือมันอยาก ใ้รูปมันก็รูปมาติดทุกอย่างอันนั้นไปติดทิดขั้นห้าคือตัวรูปอั น, น, นหาว่ารูปของเรารูปติดตัวของเราเนี่แหละไม่อื่นไกลนอกจากตัวของเราหรอกติดของเราแค่ก่อนเองเขาไปติดคนอื่นถือว่าเราว่าเขาถือว่าตนว่าตัว คือรูปร่างของเราพอเราเกิดขึ้นมาในรูปเป็นเป็นของปรากฏขึ้นมาแล้วกระถื อ, อย่างนั้นได้ล่ามไปเจ็บก็ว่าเราเจ็บป่วยก็ว่าเราก็ป่วยไม่อยู่ที่สบายก็ว่าเราไม่อยู่ที่สบาย เป็นไข่เป็นหนากว่าเราเป็นไข่เป็นนาสบาย็ว่าเราสบายเราสุขสบายก็าอยู่เย็นเป็นสุขชอบอบพอใจกระเทวะันหานี่แหละไม่ไม่อื่นงเกยอะไรครานี้ก็เห็นตัวของเราแล้วเเป็นสุขอลครานี้ก็เห็นคนอื่นก็เป็นสุขเหมือนกัน อยางชอบรักขึ้นกันในกันเห็นเราเป็นสุขแล้วก็ชอบคนอื่นเป้นสุขมือนยินดีพอใจกับคนอื่นกับลูกอื่นถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์กัแล้วลองดูมันจะชอบบ อ, อกชอบจิตใจใครมันจะยินดีพอใจก็บใครตัวเราทุกข์เราสมมตเรื่องมันชวนจะตายอะไนี่มันทุกข์ออกมา มันจะไปขอใจอย่างดีก็ได้มันเน่ยมันติดลูกตัวนี้แะก่อนอล้ น, นี้ค่อยออกไปติดลูกคนอื่นอันนั้นเรียกติดตังมันพัวพันไปจี้ยืดยาวทีเดียวถึงลูกคนอื่นถึงลูกถึงหลานถึงเหรนยญอะไรต่างๆไปพัวพันยืดยาวไปทีเดียว มันติดจนเลื่อนหูเลื่อตาไม่ขึ้นมันกรเลียงตัวนั่นแหละมันติดทั้งห้าแห่งไมนจะไปไหนไหนจะไปไหนคนมันจะกลีก้งอยู่าา น, นั่นเลยสเวทนาเถอนี่ความสุขเราก็ปรารถนาความทุกข์เรงไว้ปรารถนา สุขอะไรพวกรันในริงไหนในตวงเราก็ยินดีพอใจในเมื่อเราได้ความสุขในไม่อยากไม่อยากให้สุขนั้นตัดไปจากตวงเราไปอีกเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเขา อ, อยากจะให้หนีมันก็ไม่หนีเขา อ, อยังพ้นจากตวงเราก็ไม่พ้น ทุกคนอยากให้คนยิ่งในคนใหญ่ยิ่งพวพันนักแน่นเขาไปทุกขทีสุขเขาอยากให้อยู่กับสุขอยากอยู่สุขนั้นนําไปนั่นก็ยิ่งพวพันใหญ่เพามันไม่ไม่ไมสุขยนั้นหยุดล่าไปมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ ทุกข์ล้วนั่นไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่หายสูนทีย์นั่นก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อันนั้นเรัวพันเขาอีกหาสิ่งแม่รอดป้องกันจะไม่ให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นและให้สุขนั้นอยู่ต่อไปยิ่งหาก็ยิ่งผัวพันหนักเขาหาเงินหาทองเขาของสมบัติพระราานหาหมอหายุคหายา อะไรต่างๆทุกอย่างนังกเง็เปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเงินหินทองหมดไปแอคโหขครับมันม่นยังเป็นทุกข์นั่นเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาความจำได้จำโน่นจำนี่มหมายมัน่นสำคัญนั่นนี่อะไรต่างๆ สำคัญว่าตัวของเราสำคัญว่าวัตถุที่มีอยู่ตัวของเราเนี่ทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าวัตถุตาหูจหมูกร่างกายนีย่อยู่ในตัวของเราทั้งหมดเมื่อสัญญาจาได้แล้วสิ่งใดที่เราจาได้หมายมัมนเหนือในสิ่งนั้นย่อมเป็นอุปทานในสิ่งนั้น นิสมันสำคัญในจริงนั้นเห็นตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่แหละตัวของเราเนี่ยแหละหมายมันสำคัญจริงจริงจริงว่าตัวของเรา น, นั้นสัญญาเชื่อมแพก่รบเหมอกันจำจริงของวัตถุพัสดุต่างๆในบ้านในช่องใ น, ในรูปในห้านศรริลัะทุกอย่างจำไปพด ความจำมันเองหาหาก็ามันหายไปก็เสียดายหาหาก็ไม่หายจาอยู่ไ น, นกน็เดือร้อนเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าหางหายไปเถอะก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อีกเหมือนกั น, กก น, น, กนมนเลือกสัญญาสังขารความปรุงความแต่ง รุงแต่งนึกคิดสารพัดทุกเสียงทุกอย่างจะให้เป็นโน่นเป็นนี่ให้วิเศษวิสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ดีหรือให้ตามต้อยลงไปก็ดีให้อัปเช้าลงไปก็ดีความภรุงควาแต่งมันไม่อยู่คงที่เมื่อปรุงแต่งแไม่เป็นไปตามประสงค์ก็เดือดรอ้อน มันเป็นไ ป, ไปตามสรงกฏเ่รรอดอีกเหมือนกันวิญญาณความรู้สึกนึกคิดท้แรกเมื่อประสบอารมณ์อันนั้นก็สำคัญว่าตนว่าตัวสำคัญว่าเราว่าเขาแต่ที่จริงก็ไม่มีตนไม่ีตัวอะไรดอกหาสูญหมด เพียงปรากฏขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็หายไปปรากฏนิดหนึ่งก็หายไปทั้งห้าอย่างนี่แหละเจ้าตัวลิงเป็นคนวิ่งเป็นคนหาเป็นคนสะสมเป็นคนไม่ให้พักออกจากตัวของเราให้ติดอยู่ในตัวของเรา วิ่งตรงน้นวิ่งนี่ลองดูสิรับตาสักพักหนึ่งลองดูดิมันอยู่ไหมก้อนนนก้อนนี่นั่นเนี่ยวิ่งนนนึงนี่อยู่ไหมแล้วสักทีตัวลีงตัวนั้นสำคัญที่สุดถ้าจะเปรียบมันก็ลิง รูปประมาประใหมเปรียบเหมือนกระลีไงมันวิ่งมันไม่อยู่นิ่งได้เดี๋ย ว, วิ่งไปตามรูปวิ่งไปตามเสียงกินรสโผฏภะธรรมารมณเดี๋ยววิ่งไปตามสันไอาเวทนาสัญญาสังขารสญญาณมันก็นอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนหรอกมันวิ่งอยู่ในนี้แหละ ว, วุ่นอยู่ไม่รู้แล้วรู้ลอะไรสักที เลยติดข้องในเรื่องนั้นหรือติดตังในเรื่องนั้นคนเราจังว่าไม่มีดีอะไรเลยดีก็เพราะเหตุที่ทำจิตให้นิ่งตัวของตนให้นิ่งไปตัวของตนได้รักษาจิตใดรักษาอวมณ์ใดมีสาระในตัว ให้อยู่ก็ได้ให้ไปก็ได้ น, นั้นแหะเป็นของตัวแท้ถ้าหากจเป็นลิง เ, เื่ยไปแล้วล่ท้าพุทมาเปียะมันก็ลิงมันก็ไม่ใช่ตัวของเราท่านยังว่านัททีสันติประดังสุขขังความสุขอันดีดจะเสมอเลยคนมสงบไม่มีเพราะเหตุมันวิ่งอยู่นะ อันเลยเปียบให้เป็นเหมือนกระลิงนะ่วงขวงางขอกไปยังวะเหมือนกะลีงติดตังว่ม้าพอไเปียไปน้นมือนกระลิงติดตังเข้องนั่งยังไหกับครัวพันนเสียงนั้นก็บปนีนยอยู่ใ น, นสิ่งนั้นสมันจะไปพ้นจากนั้นได้ที่ไหนเมื่อ ถึงข่าวที่จะเอาตนนอดแม่ถึงข้าวที่จะเอาตนใเป็ินิสตระมันก็ไม่ได้ในเมื่อเราไม่ฝึกฝนอบรมตนให้อยู่ในหน้าของกิเลสเรื่อยไปหลายอย่างหลายเรื่องนั้นพูดอธิบายไว้ เหมือนกับเลีงกระมีเหมือนกับปลาที่เขาออกจากหน้ำาแล้วมันดิ้นจ่ายลงไปของเก่าเนี่ดิ้นลงไปหน้าของเก่าก็มีมันเกลีกลี้งอ๊ะกับเกาะไปมายอย่างไงเมื่อเราพึกงฝนอารมณ์ไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าจิตไม่ใช่เราเสียแล้วเดนหน้าของของมันเส็จแล้วอํานาจของจิตเสียแล้ว อำนาจของจิตก็คือกิเลสเดิมันมีอะไรมีแต่กิเลสฝนเราลองจิตให้สงบลงไปได้มันก็ฝนอยากกิเลสมันก็เป็นจิตของเราทังีเทศเท่านี้ละวันนี้จับลิงให้อยู่ถ้าจับมันอยู่เขาจะเรียกว่ายาย้ลีงตาลิงห้าลีงเนลิง เขาอาจะไปโกรธได้หรือทำไมว่าตัวนี่หรอเขาว่าตัวใจั่างหากคนนี่จะไปโกรธเขาจับเราจับไม่ได้กันเราเป็นดีงั น, นั่นเองคนเราอะมัมกโกรธไม่พิจารณาทีทวนมักโกรธทั้งเขาหาว่างัวว่าควาย ตาคนนั้นเป็นงัว um, ตาคนนี้เป็นควอยตาคนนั้นเป็นปูเป็นปลาพระคนนั้นเป็นปลาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเป็ดเกตเป็ดเป็เปเป็ดไก่มันเลยโกรธเขาความเป็นจริงมันเป็นจ um, ริงของเขาเอาเนื้อไก่น่ะมามาเลี elementary elementary bread, ้ยงตัว <upbringing> น <arsa Walmart 30 2> ี่นเอาเนื้อเป็ดน่ะเอาเนื้อหมูน่ะเอาเนื้อปลาเนื้อปูน่ะมาเลี้ยงวันนี้เขาว่ากันควรจะให้เขา เลยไม่เข้าใจความจริงมันถือตนถือตัวอย่างนี้มันถือมานานๆานขันเห็นสภาพตาไม่จริงแ้ะมันก็ไม่ถืออะไรกันนันก็หมดเรื่องไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าตัวเป็นลีงก็พอใจยินดีเขาว่าถูกปล่อยให้เขาเสีย แต่ตัวของเขาก็เป็นลิงเหมือนกันไม่รู้ตัวยังว่าเแตกคนอื่นตกหลงอ่ะเลีเ้ยงด้วยกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่เป็นลิงเดียวกันทั้งหมดนันก็หมดเรื่องกันไปเห็นนั้นยังว่าเราจะค้นจากเลีล้ยงนะตัจับตัวลิ้ยงให้ได้ยงห้เข้าไปติดตางแต่พวกพันติดตังอ่ะไม่พ้นจากลิ้ยงอยู่ตามนั่นแหะ เียนให้กลางกลางปล่อยใจให้สบายให้สบายเสียงมันกระทึกอยู่างนีะก็อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องผูกันกับมันนั่นอยู่อย่างนั้นเนะี่ยใจเราวางเราเป็นกลางแล้วก็ไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องนั้นดีก็ไม่ว่าชั่วก็ไม่ว่าญาติแย่ยก็ไม่ว่า เอาเป็นการช่วยใวการตั้งใจกำหนดอคุณเน่ยนึกพุทธโธก็ได้อ น, นาปานสติก็ได้ให้มันอยู่กันไปนั้นถ้าว่าไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่ก็ไม่รู้มันนีก็ไม่รู้ก้นเอาพุทธโธเป็นเครื่องอยู่ ปล่อยใจเป็นกลางเลยเอาเอากลางกลางเอาใจกลางกลางนะเพราะไว้เขาพุทโธนี่ว่าอรหังนะอยากจะอนาปานติเขาให้อยู่กับนั้นเป็นเครื่องวัดในตัวเมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองออกปล่อยทิ้งมดเลย นังเหลือแต่จิตนั่งเหลือแต่ใจอันเดียวคือผู้กลางของเก่าพิจารณาตั้งสติกำนดจิตทีแรกมันออกไปจากตัวกลางกลางนั้นแต่กำนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาหาของกลางเป็นของเก่าลงของเก่าะของกลางนะมันออาเขาเอาไว้จากนั้น่ะ ไปคิดไปนึกเรียกว่าจิตพิจารณานั่นอีกหน่วยพิจารณาจิตกำหนดจิตอันนั้นคําว่าพิจารณาในที่นี้นั้นหมายความว่าคิดนิดๆหน่อยๆมันอารมณ์อะไรต่างเกิดขึ้นมานที่นี่นั้นมันไม่อยู่เป็นจิตไม่อยู่ถ้าคิดอยู่ในนั้น คิดแต่ไปข่วงข่วงเอาภายนอกก็ไปถ้าหางก็ไม่ไปมันก็อยู่คิดไม่เกิด่อเขามาแน่นนะ่ะอะไรนี่นี่หน่อยว่าแปววเป็นมานิดหน่อยว่าแปววเป็นมาอยู่นะ่ะเดีงพิจารณาจิต ต, ตรงนั่นนะ่ะเมือ่อตั้งสติสนวดแล้วมันจะรวมกวับเป็นใจของเก่ามันเป็นใจมากขวาเป็นจิต นั่นแหละมันชํานาญอย่างนั้นเนี่ยแล้วจากได้ความรู้ความเฉลี่ยเกิดจากนั้นเน่ะมันมเกิดความรู้ฉลาดก็เกิดจากนั้นนะจะให้มันเป็นจิตมากถ้าเป็นจิตมากก็จะดีไหลเลืเอดถุไม่ได้ความรู้ไม่ได้เกิดไม่เกิดความสุขนี่นั่นเรียว่าหัด สมาธิคือหัดจิตนั่นแหละให้รวมมากกว่าเราอจะสังเกตได้ว่าจิตเราตีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่จิตไอ้ตัวที่หัดจิตเขาเป็นถึงใจได้ถึงความสงบได้นี่แหละมากนั่นก็ดีขึ้นมากถ้ามันได้น้อยก็ดีน้อยผู้จะถึงมะผลนิพพานก็ไม่หนีจากจิต ที่นายจิตนี่เท่านั้นสติคอนโดที่นายจิตนี่เท่านั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือตั้งมั่นลงที่ไอ้กายเวทนาจิตธรรมอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ท่านว่าไว้สีอย่างกายเวทนาจิตธรรมเมื่อหัดสติรักษาจิตได้แล้ว จะทําการทํางานอนู่กระชังมีพคณะธุระอยู่ก็าายยกตามมันไม่ลืมหนิตั้งมั่นเดยวอย่างนั้นสบายตัวอย่างนั้นทําได้รักษาสติจะทําอะไรไม่ได้มันยิ่งทําดีดิทําอะไรไม่รู้สึ็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทําไม่พลาดกลางเลย เป็นคุณานิสงอย่างยิ่งสติประธานท่านงเงรียกว่าเป็นธรรมเป็นประธานของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายออกจากสติประธานนี้ทั้งหมดอ่ะตั้งใจสมมตดพิจารณาไมทำสงบก็หให้ละลึอลอกออก ความสงบเป็นยังไงคือความสงบเยืกเย็นไม่คิดนึกสงสัยในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทุกประการอยู่ในอารมณ์เดียวให้คิดอย่างนั้นทํายังไงใอกใจเราจะสงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอานั้นน่ะผู้ที่สงบแล้ว ไม่ต้องอยากพอไอคิดถึงความสงบเล้ก่อนเข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้เราลึกถึงตรงนั้นเนี่ยเข้ามาลึกลึกถึงในที่ในนั้นไม่ใช่ให้เราลึกถึงของท่านเราลึกถึงของเรานี่ความสงบของเรานี่แหละไม่ต้องเราลึกถึงของค น, อ, งคนอื่น ปณิพาพนไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดปณิพาพ น, นที่นั้นในนิดในหน่อยก็เรียกว่าปณิาพานเฉดเฉียดเดินดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีทําความสงบเขา้าเข้าไปถึงตรงนั้นแนี่จิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่นา น, น, าน ส, สงบกว่านั่ให้อยู่ได้นานแสนนานทีเดียวมันหากจะมีอุบายหากจะมีแยบภายขึ้นมาในตัวนั่นเนีะมันสงบมีสติอยู่ตรงรู้ต้องเห็นส่งน้าตามมไม่แม้แต่ว่านอนหลับเสสงบแล้วมันหลับหายไปเสีย แต่ถึงขนาดนะั้นมันก็นยังเป็นนินิตปรากฏเห็นโน่นเห็นนีอน่นอะไรต่างๆ่าหนาเราสงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่